ธรรมบทแปลเรื่องสัตธิวิหาริกของพระมหากัสสปะภาคที่สเรื่องที่สี่พระศาสดาเมื่อประทับอยู่ในกรุงสาวัตถีทรงปราบรสัตธิวิหาริกของพระมหากัสสปะตรัสพระธรรมเทศนานี้ว่าจะรัญเจนาที่ คัจเฉยะสยังจะที่สมัตะโนเอกะจะริยังทันหังกะยิรานาติพาเลสหายตาแปลว่าถ้าบุคคลเมื่อเที่ยวไปไม่พึงประสบสหายผู้ประเสริฐกว่าผู้เช่นกับด้วยคุณของตนใจพึงทำการเที่ยวไปคนเดียวให้มั่น เพราะว่าคุณเครื่องเป็นทายย่อมไม่มีในพระคุผพันเทศนาตั้งขึ้นในกรุงราชกฤยรได้ยินบ่าสธิวิหาริกสองรูปอุปถากพระเถระผู้อาศัยกรุงราชกฤยอยู่ในถ้ำปิปะาผลิบรรดาภิกษุสองรูปนั้นรูปหนึ่งกระทําวัด โดยกรบรูปหนึ่งแสดงวัดที่ภิกษุนั้นกระทำแล้วเป็นเหมือนตนกระทำรู้ความที่น้ลาล้างหน้าและไม้ชมราระฟันอันภิกษุนั้นจัดแจงแล้วจึงเรียนพระเถราว่าน้าล้างหน้าและไม้ชาระฟันกระผมจัดแจงแล้วกรับขอท่านจงล้างหน้าเถิดแม้ในการทากิจ มีการล้างเท้าและส่งน้ำเป็นต้นก็ย่อมเรียนอย่างนั้นเหมือนกันภิกษุอีกรูปหนึ่งคิดว่าภิกษุผู้นี้ย่อมแสดงวัดที่เรากระทำแล้วเป็นเหมือนว่าตนกระทำตลอดการเป็นนิดช่างเถิดข้อนั้นเราจะกระทำสิ่งที่ควรกระทำแก่เธอก็เมื่อภิกษุผู้นั้นฉันแล้ว หลับอยู่นั่นแหลภิกษุผู้ที่ทำข้อวัดก็ต้มน้ำสำหรับอาบแล้วตักใส่ในหม้อใบหนึ่งตั้งไว้หลังซุ้มแต่ให้เหลือน้ำไว้ในภาชนะต้มน้ำประมาณกระบวยหนึ่งแล้วตั้งไว้ให้พ่นไออยู่ตอนกำตามตันในเวลาเย็นภิกษุ รูปที่ไม่ยอมทำข้อบัตรนั้นเืินขึ้นเห็นไอพุ่งออกอยู่จึงคิดว่าน้ำจะเป็นน้ำที่ภิกษุนั้นต้มแล้วตั้งไว้ในซุ้มจึงเรียไปไหว้พระเตระแล้วเหรียนว่าน้ำกระผมตั้งไว้ในซุ้มแล้วขอ ร, รับนิมนต์ท่านสงเถิดแล้วเข้าไปสู่ซุ้มกับพระเตระด้วยเหมือนกันพระเตระ เมื่อไม่เห็นน้าจึงกล่าวว่าน้าอยู่ไหนล่ะเธอภิกษุหนุ่มผู้ที่ไม่ทำข้อวัดจึงไปยังโรงไฟจ่วงกระบว o ลงในภาชนะรู้ความที่ภาชนะว่างเปล่าจึงโพนธนาขึ้นว่าขอท่านจงดูก ร, รมของภิกษุหัวดื้อผู้นั้นเธอยกภาชนะเปล่าตั้งขึ้นไว้บนเตาแล้วไปไหนเสีย กระผมเรียนด้วยเข้าใจว่าน้ำมีอยู่ในซุ้มดันี้แล้วเธอก็ได้ถือเอามอน้ำไปยังท่าน้ำฝ่ายภิกษุรูปที่ทำข้อบัตนั้นนำเอาน้ำมาจากหลังซุ้มแล้วตั้งไว้ในสุ้มแม่พระเทระก็คิดว่าภิกษุหนุ่มรูปนี้กล่าวว่าน้ำกระผมต้มตั้งไว้แล้วในซุ้ม นิมนต์ท่านมาสงเถกดกบัดนี้พนลนาอยู่หรือเอาหม่อไปสู่ท่าน้ำนี่อะไรเนาะแลพระเทระจึงใกรกรวนดูก็รู้ว่าภิกษุหนุ่มรูปนั้นประกาศกิจวัดที่ภิกษุรูปอื่นกระทำแล้วเป็นด่างว่าตนกระทำตลอดการเป็นนิสพระเทระจึงได้ให้โอวาทแก่เธอ ผู้มานั่งในเวลาเย็นว่าคุณชื่อว่าพิกสุกล่าวกิจที่ตนกระทำแล้วนั่นแหละ ว, ว่าตนกระทำย่อมควรจะกล่าวกิจที่ตนไม่ได้กระทำว่าเป็นกิจที่ตนกระทำแล้วย่อมไม่ควรบัดนี้เธอกล่าวว่าผมตั้งน้ำไว้ในซุ้มนิมนต์ท่านสงเิดแต่เมื่อเราก็ไปยืนอยู่ถือหม้อน้ำาผลนาไป ชื่อว่าบรรปชิตกระทำอย่างนั้นย่อมไม่ควรภิกษุรูปที่ไม่ทำก่อวัดจึงได้กล่าวก้นว่าท่านทั้งหลายจงดูกรรมของพระเถระพระเถระอาศัยเหตุสักว่าน้ำจึงกล่าวกับเราอย่างนี้เธอได้โกรธแล้วในวันรุ่งขึ้นไม่เข้าไปบินบาบกับพระเถระ พระเถระไปสู่สถานที่แห่งหนึ่งพระภิกษุรูปที่ทําข้อวัดนั้นเมื่อพระเถระไปแล้วภิกษุรูปที่ไม่ทําข้อวัดก็ไปสู่ตระกูลอุปตากของพระเถระถูกอุปตากถามว่าพระเถระไปไหนหลักรับจึงบอกว่าปาไม่ผาสูุเกิดแก่พระเถระท่านนั่งอยู่ในวิหาร น, นั่นเองอุปตาก ก็อะไรเล่าจึงจะควรกับท่านกรับภิกษุผู้นัน้นได้ยินว่าท่านทั้งหลายจงถวายอาหารชื่อเห็นป่านนี้อุปตากทั้งหลายจึงได้จัดแจงตามทํานองที่ภิกษุนัน้นกล่าวนั่นเองและได้ถวายแล้วภิกษุผู้นัน้นฉันอาหารนั้นในระหว่างหนทางแลแล้วก็กลับไปสู่วิหารตอน พระเถระจับความเลวทรามของสิทธิ์ได้ฝ่ายพระเถระได้ผ้าเนื้อละเอียดผืนใหญ่ในที่ที่ไปแล้วก็ได้ให้แก่ภิกษุหนุ่มผู้ไปกับด้วยตนภิกษุหนุ่มนั้นย้อมผ้านั้นแล้วได้กระทําให้เป็นผ้าสําหรับนุ่งโฮมแห่งตนในวันรุ่งขึ้นพระเถระ ไปสู่ตระกูลอุปตากนั้นเมื่อพวกอุปตากกล่าวว่าท่านผู้เจริญพเพื่อข้าพเจ้าทราบว่าได้ยินว่าความไม่ผาสุขเกิดแก่ท่านจึงจัดแจงอาหารส่งไปโดยํานองที่ภิกษุหนุ่มกล่าวนั่นเองความผาสุขเกิดแก่ท่านเพราะฉันอาหารแล้วหรือพระเทระก็นิ่งเสียก็พระเทระ ไปสู่วิหานแล้วกล่าวกับภิกษุหนุ่มนั้นผู้หวยแล้วผู้นั่งอยู่ในเวลาเย็นอย่างนี้ว่าคุณได้ยินว่ า, าวานนี้เธอกระทากรรมชั่ยนี้กรรมนี้ไม่สุมกวรแก่บรรพชิตทั้งหลายบรรพชิตกระทำการขอแล้วฉันย่อมไม่กวนตอนประทุสร้ายแกผู้มีคุณตายไปเกิดในอเวชี อีกษุผู้นั้นโกรธแล้วผูกอาฆาตในพระเทรว่าในวันก่อนพระเทระอาัยเหตุสักว่าน้ำกระทำเราให้เป็นคนมักพูดเท็จในวันนี้เพราะเหตุที่เราบริโภค พ, พัดบมือหนึ่งในสกุลอุปตากของตนจึงกล่าวกับเราว่าบรประชิตกระทำการขอแล้วบริโภคย่อมไม่สมควรแม้ผ้า ท่านก็ให้แก่ภิกษุผู้บำรุงตนเท่านั้นโอ้โกรรมของพระเถระหนักเราจะรู้สิ่งที่ควรกระทำแก่พระเถระนั้นในวันรุ่งขึ้นเมื่อพระเถระเข้าไปสู่บ้านส่วนตนพักอยู่ในวิหารจับท่อนไม้ทุกวัตถุทั้งหลายมีภาชนะสำหรับใช้สอยเป็นต้นแล้วจุดไฟ ในบรรณ า, าลาของพระเถระสิ่งใดไม่ไม่ไฟก็เอาปล่องทุบทำลายสิ่งนั้นแล้วออกหนีไปภายหลังกระทํากาล้าแล้วเกิดในอเวจีมานรกมหาชนตั้งเรื่องสนทนากันว่าได้ยินว่าสัตว์วิหาริของพระเถระไม่อดทนเหตุสักว่าการกล่าวสอนโกรธ และเผาบรรณศสาลาแล้วก็หนีไปต่อมาภายหลังภิกษุรูปหนึ่งออกจากกรุงราชกฤย์ไกลจะเฝ้าพระาศาสดาไปถึงพระเชตวันถวายบังกมพระาศาสดาอนพระาศาสดาทรงกระทำปฏิสันต์แล้วกระถามว่าพวกเธอมาจากไหนล่ะภิกษุเหล่านั้นกราบทูลว่า มาจากกรุงรา ช, กรรชาคกลืพระเาค่ะพระสสดาก็มาหากส ป, ปะบุตรของเราอยู่สบายดีหรือพวกภิกษุสบายอยู่พระเาคา่าแต่ว่าสัตทีวิหาริกของท่านรูปหนึ่งโกรธด้วยเหตุศักว่าการกล่าวสอนเผาบรรณศาลาแล้วก็หนีไปพระศัสดาตรัสว่าก็ภิกษุนั้นฟังโอวาท แล้วโกรธในบัดนี้เท่านั้นก็หาไม่ได้แม้ในกาล ก, ก่อนก็โกรธแล้วเหมือนกันและภิกษุนั้นประทุษร้ายกุติในบัดนี้เท่านั้นก็หาไม่ได้แม้ในกาลก่อนก็ประทุษร้ายแล้วเหมือนกันดังนี้แล้วจึงได้ทรงนำอดีตนิทานมาตรัสว่าเรื่องนกขมิ่นกับลิง วิวาทกันในอดีตการเมื่อพระเจ้าบรมทัดกรองราดอยู่ในกรุงปราณาีนกกมิ่นตัวหนึ่งทำรังอยู่ในหิมะวันตาปเทศต่อมาวันหนึ่งเมื่อฝนกำลังตกลิงตัวหนึ่งสันสถานอยู่เพราะความหนาวจึงได้ไปยังสถานที่นั้นนกกมินเห็นลิงนั้น พึงก่าวคาตานี้ว่าบานอนศีรษะและมือเท้าของท่านก็มีเหมือนของมนุษย์เมื่อเช่นนั้นเพราะโทษอะไรหนอเรือนของท่านจึงไม่มีลิงคิดว่ามือและเท้าของเรามีอยู่ก็จริงถึงกระนั้นเราพิจารณาแล้วพึงกระทำเรือนด้วยปัญญาใดปัญญานั้นของเราย่อมไม่มี ลิงไกรจะประกาศเนื้อความนั้นจึงกล่าวคถ า, านี้ว่านกกะริ้นศีษะและมือเท้าของเราย่อมมีเหมือนของมนุษย์บัณฑิตทั้งหลายกล่าวว่าปัญญาใดประเสริฐในมนุษย์ทั้งหลายปัญญานั้นย่อมไม่มีแก่เราลําดับนั้นเมื่อนกกระรินจะติเตียนลิงนั้นว่าการอยู่ครองเรือน จะสำเร็จแก่ท่านผู้เห็นปานนี้ได้อย่างไรจึงกล่าวสองคถานี้ขึ้นว่าความเป็นสุขย่อมไม่มีแก่บุคคลผู้มีจิตไม่มั่นคงมีจิตเบากลับกรอกมักประทุสร้ายมิรมีปกติไม่ยั่งยืนเป็นนิดท่านนั้นจงกระทำอนุภาพเติดจงเป็นไปล่วงความเป็นปกติของตนเสีย จงกระทำกระทำเป็นที่ป้องกันหนาวและลมเถิดหลิงนั้นคิดว่านกกระินตัวนี้ย่อมกระทำเราให้เป็นผู้มีจิตไม่มั่นคงมีจิตเบามักปะตุสลายมีปกติไม่ยั่งยืนแบบนี้เราจะแสดงความที่เรามักเป็นผู้ปะตุสลายมิตรต่อมันนนนี้แล้วจึงขยี้รัง แล้วโปรยลงโลกมินเมื่อลิงนั้นจับเอารังอยู่นั่นแหละได้หนีออกไปโดยข้างหนึ่งแล้วตอนประมวลชาดกพระศาสดาครั้นทรงนำพระธรรมเทศนานี้มาแล้วทรงประมวลชาดกว่าลิงในการนั้นได้เป็นภิกสุปุทสรายกุติในบัดนี้ นกกรมิ่นนั้นคือกาสปะครั้นประมวลชาดกมาแล้วจึงได้ตรัสว่าอย่างนั้นภิกษุทั้งหลายภิกษุนั้นประทุษร้ายกุติในบัดนี้เท่านั้นก็หาไม่ได้แม้ในการกร่อนภิกษุนั้นโกรธในเพราะโอวาทแล้วก็ประทุษร้ายกุติแล้วเหมือนกันการอยู่ของกสปะบุตรของเราคนเดียวเท่านั้น ดีกว่าการอยู่ร่วมกับคนผ่านผู้เห็นป่านนั้นในนี้แล้วจึงได้ตรัสพระคานี้ว่าถ้าบุคคลเมื่อเที่ยวไปไม่พึงประสบสหายผู้ประเสริฐกว่าผู้เช่นกับด้วยคุณกองตนใ้พึงทําการเที่ยวไปคนเดียวให้มั่นเพราะว่าคุณเครื่องเป็นสหายย่อมไม่มีในคนผ่าน บาลีว่าจะรัญเจนาทิขัดเชยะส ย, ยังสถิสมัตตโนเอกะจะริยังทันหังกะยิรานาติภาเลสหายตาในบรรดากรรมเหล่านั้นคำว่าจะรังแปลว่าเที่ยวบัณฑิตพึงทราบการเที่ยวไปด้วยใจไม่เกี่ยวกับการเที่ยวไปด้วยอิรยิยาบถ อธิบายว่าเมื่อสแสวงหาเกเลยาณมิตรก็คำว่าเสยยังสถิสมัตตโนแปลว่าสหายผู้ประเสริฐกว่าผู้เช่นกับด้วยคุณของตนหมายความว่าถ้าไม่พึงได้ชสายผู้ยิ่งกว่าหรือผู้เช่นกันด้วยคุณคือศีล ส, สมาธิและปัญญาของตนคำว่า เอกะจะหรือยังหมายความว่าพึ่งทาการเที่ยวไปคนเดียวก็ในสหายเหล่านั้นบุคคลเมื่อได้สหายผู้ดีกวา่าย่อมเจริญด้วยคุณทั้งหลายมีศีลเป็นต้นเมื่อได้สหายผู้เช่นนั้นย่อมไม่เสื่อมจากคุณทั้งหลายมีศีลเป็นต้นแต่เมื่ออยู่โดยร่วมกันกับสหายที่เลวทำการสมโภช และบริโภคโดยความเป็นพวกเดียวกันยอมเสื่อมจากคุณทั้งหลายมีศีลเป็นต้นประเหต น, นั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงตรัสคำนี้ว่าบุคคลผู้เห็นป่านั้นอันบัณฑิตไม่พึงเสพไม่พึงครบไม่พึงเข้าไปนั่งใกล้เว้นไว้แต่ความอินดูเว้นไว้แต่ความมนุกระประเหต น, นั้น หากบุคคลอาศัยความการุณคิดว่าบุคคลนี้อาศัยเราจะเจริญด้วยคุณทั้งหลายมีศีลเป็นต้นไม่หวังผลตอบแทนอยู่ซึ่งวัตถุอะไรๆจากบุคคลนั้นชื่วย่อมอาจสงเคราะห์บุคคลนั้นได้การอาศัยความการุณสงเคราะห์ดังนี้นั้นเป็นการดีถ้าไม่อาจสงเคราะห์อย่างนั้นได้ พึงทำความเที่ยวไปผู้เดียวให้มัน่นคือว่าทำความเป็นคนโดดเดี่ยวเท่านั้นให้มัน่นอยู่แต่ผู้เดียวในอริยบททั้งปวงถามว่าเพราะเหตุไรตอบว่าเพราะกุลเครื่องเป็นสายย่อมไม่มีในเพราะคนผ่านอธิบายว่าจุลศีลมชิมศีลมหาศีล คาถาวัตถุสิบทุดงคุลสิบสามวิปั ส, สนาคุลมัคสีผลสีวิชาสามอภิญญาหกชื่อว่าคุณเครื่องเป็นสายคุณเครื่องเป็นสายนี้ย่อมไม่มีเพราะอาศัยคนผ่านในการจบเทสนาอาคันตุกะพิสุบบรลุโซดาปฏิผลแล้ว ชนแม้เหล่าอื่นบ็นนั้นมากก็มาลูเรียผลทั้งหลายมีโซดาปฏิผลเป็นต้นเทศนาได้เป็นไปกับด้วยประโยชน์แกมหาชนดังนี้แหละเรื่องสัตว์ที่วิหาริของพระมหากัสะปะ